ประทับอยู่ก็เลยประนมมือกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์ย่าเศร้าโศกเลยชมพูทวีปนี้ใหญ่นักข้าพระองค์จักนําธาริกาอื่นที่สวยกว่ายิ่งมาให้นะอย่าเสียใจไปเลยเนี่ยตอนแรกเห็นเสียใจมากเลยใช่ไหมตอนนี้มันนั่งนิ่งพอเลิกเสียใจใเธอเดี๋ยวไปหาคนใหม่ก็นละกันพระกุมานั้นก็ตรัสว่าเราไม่โศกเพราะเราหมดสิ้นความเศร้าโศกแล้วเราเป็นพระปัจเจกกพุทธเจ้า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 ความเกี่ยวข้องนี้เกี่ยวข้องจากการเห็นการฟังเป็นต้นเนียนะจากการเห็นการฟังตรงนี้ยกทัศนสังสะสวนะสังสักขะกายสังสักขะสมุลาปณะสังสักขะแล้วก็สัมโขสังสัคขะทัศนาก็การเห็นสวนะก็ฟังกายสังสัคขะก็คือเกี่ยวข้องการสมุลาปณะก็คือการสนทนาการแล้วก็สัมโะก็กินร่วมกัน ในความเกี่ยวข้องห้าอย่างเนี่ยนะราคะเกิดด้วยอำนาจแห่งจกักขูวิญญาณวิถีเพราะอะไรเพราะเห็นซึ่งกันและกันก็นี่เรียกว่าทัศนสังสคระอย่างเช่นที่ดาของกุดุมพีผู้มีใจรักใคร่เห็นพิสุ น, นมรูปหนึ่งชื่อว่าทีผานกะผู้อยู่ในกาลยาณวิหารซึ่งกำลังไปสู่กาละทีฆะวาปีคามเพื่อบิิทบาทในสิงหหน เนี่ยเขามาสนใจว่าไอ้ ก, กาละทีฆาวาปีนี่มันอยู่ที่ไหนถามบอกโอ้ยมันเป็นร้อยกิโลเลยโอ้ยพูดสักไม่ตาเลยนะจะไปดูไอ้ทีฆาวาปีไปดูพวกบึงอนะนั่นะนะไปดูไปดูน้องแวงเอาที่คอนแก่นกันแล้วกันนะจะไปดูศีลังกาก็อดเลยนะคนขับรถบอกไกลมากประมาณนั้นะที่ศีลังกาก็พระพิสูจน์นมรูปนี้เนี่ยคือคือเรื่องเขาเป็นอย่างนี้ว่า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 เนี่ยนะเรีว่าผ้าบางสกุลที่ป่าชาเนี่ยถวายพระไปนี้พระมีหลายรูปเขาก็แบ่งเป็นผ้าผ้ากันนะก็เป็นผ้าอย่างดีไปกรองน้ําดื่มได้อะไรได้ก็ซักอย่างดีเป็นผ้ากรองน้ําดื่มนี่ก็มีการแจกผ้ากันแล้วก็มี เ, เอาผ้าเนี่ยไปฝากให้แก่พระพิสุนโหนมรูปนี้บอกว่านี่ผ้าอา่าส่วนให้ท่านให้ท่านผมถวายท่านบอกผ้านี้เป็นยังไงมาไงก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีพระพิสุนโหนมรูปหนึ่งไปบินทบาทอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอา่าเขก็เล่าย้อนความเนี่ยนะ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 ภิกษุนุมชื่อว่าติดสะเนี่ยนะยกตัวอย่างภิกษุนุมชื่อว่าติดสะผู้อยู่ในถ้ำปันจักรละขณะนั้นพระภิกษุนุมรูปนี้มีฤทธิ์เหาะได้ทางอากาศฟังเสียงของธิดาช่างมีดนะพ่อเนี่ยเป็นช่างมีดตีมีดอยู่ในคีริคามธิดาของช่างมีดคนนี้ก็ไปสะประปทุมพร้อมด้วยกุมารีไปกับเพื่อนสาวห้านาง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 อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะราคาเกิดเพราะกา ร, รลูกคลมอวัยวะของกันและการชื่อว่ากายสังสัก ข, ขะกายสังสักขะนี้มีภิกษุหนุ่มชื่อว่าธรรมภาส ก, กะเป็นตัวอย่างคือเรื่องมีอยู่ว่าพระภิกษุหนุ่มกล่าวธรรมอยู่ในมหาวิหารมหาวิหารนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ อ, อนุราธ่ปุระเนี่ยนะวัดวัดที่มีโลหะประสาทอาวัดนั้นแหะ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 พระราชาก็เลยเห็นเหตุนั้นก็กาหนดได้ก็ให้สั่งให้ล้อมกำม่านกำแพงเธอทั้งสองนั้นก็คเคล้าคลึงโอบ ก, กอดซึ่งกันและกันพอเลิกผ้าดูทั้งคู่ก็ตายอั น, น้เรียกว่าไม่รู้ไปทำกันยังตายเลยสรุปว่าจบด้วยตายกันแต่และเรื่องจบไม่ดีนะหนังเศร้าหมดเลยอีกอย่างหนึ่งราคะที่เกิดเพราะการสนทนาปราศัยพูดคุยซึ่งกันและกันเรียกว่าสมุ ล, ลปนาสังสัคะ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 สัมเนสมเนรีตัวแ็กๆก็เลยเอสอสงสารก็เลยให้วลายงาไปอันหนึ่งวลายงาก็คือกำไรงาที่ทำมาจากงาช้างรองรับภาชนะได้อ่ะให้เป็นเชิงรองบาทเสร็จแล้วก็ได้คุยกันนิดหน่อยทั้งคู่นั้นเนี่ยนะก็บวตตั้งตั้งแต่ยุ7ขวบนะเรื่องนี้เกิดได้ยุ7ขวบแล้วก็บวตผ่านไป60ปีเสร็จแล้วก็ด้วยเรื่องคือคือบ้านเมืองมันมีภัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ข้ามไปอีกทะเลหนึ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง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 เสร็จแล้วทั้งคู่ก็คิดถึงการพูดคุยในครั้งนั้นเกิดความรักกันประราชิกทั้งคู่พระภิกษุก็ปราชิกภิกษุณีก็ปราชิกเนี่ยนะอันนี้ก็เพราะการใช้ข้าวของเนี่ยนะก็ทําให้คิดถึงเจ้าของเขามากสรุปว่าความยื้อใหญ่ย่อมมีแก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกันเมื่อมีการเกี่ยวข้องกันความรักความผูกพันความยื้อใหญ่ก็มีขึ้น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 ชาติต่อๆไปก็คือถามว่าเมื่อมีความรักมีความผูกพันแล้วถามว่าจะทํากุศลหรืออกุศลโดยมากนะจะทํากุศลหรืออกุศลถ้าทําอกุศลนะชาตินี้ก็เป็นทุกชาติต่อไปก็เป็นทุกขวั น, นพระประเจกพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะแต่เป็นพระประเจกหนุ่มมากเลยใช่ไหมอายุสิกปีบรรลุแล้วตัดคาถาปีประเภทอย่างนี้แล้วก็ตัดว่าทุกมีความโศกเป็นต้นเนี่ยนะ เกิดจากความเยื่อใหญ่เรานั้นได้ขุดรากของความทุกขนั้นแล้วจึงบรรลุปัจเจกโพธิญาณรั้นตรัสอย่างนี้แล้วอมากก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระองค์พึงทำอย่างไรในจุลนิเทศอธิบายเนื้อความไว้ไว้ดีมากเลยนะแต่ว่าเป็นพักก่อนนี่ก่